มัวร อ, อกรรมอยู่ได้ทำไมไม่รีบแก้กรรมให้เสร็จไปบรรยายเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2549เราจะเห็นลักษณะของพระพุทธศาสนาจะเรียกกันแนวคิดก็ได้คือพุทธศาสนาในะอย่างที่พูดไปแล้ว มองอะไรเป็นระบบความสัมพันธ์โดยเฉพาะเชิงเหตุปจัจจัยซึ่งเราจะมองขยายไปได้หมดเลยตั้งแต่ในชีวิตของเราที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันในชีวิตของเราเองในแง่รูปธรรมนามธรรมรูปธรปป ร, <friendship> ม, รมเองก็เป็นเหตุปัจจัยกันนามธรรมเองก็เป็นเหตุปัจจัยกันแล้วมาเป็นเหตุปัจจัยกัน <S <S ระหว่างรูปกับนามธรรมในชีวิตของเราแล้วรูปธรรมนามธรรมของเรามันก็ไปเชื่อมกับรูปธรรมนามธรรมข้างนอก มันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยกันจกนกระทั่งถึงจักรวาลหมดเลยเนี่ยมองเชิงความสัมพันธ์โดยเฉพาะในแง่เหตุปัจจัยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งซึ่งเคยพูดไปแล้วอันนี้อีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนานี่จะมองอะไรเป็นขั้นตอนเดชะว่าการพัฒนามนุษย์ก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเราพูดถึงใสิกขาซึ่งเป็นหลักใหญ่ในการพัฒนามนุษย์เรียกว่าหลักการศึกษาเลย อั น, นครอบคลุมหมดก็เห็นได้ว่าเออเราแบ่งเป็นสีสมาธิปัญญาอ้าวก็เป็นขั้นเป็นตอนอีกจากศีลไปสมาธิสมาธิไปปัญญาแล้วขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่แยกขาดจากกันก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเวลาเอาเข้าจริงสีสมาธิปัญญามันก็มีอยู่ทุกเวลาพัฒนาไปได้วยกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างที่เคยพูดไปแล้ว อันนี้ก็สําคัญนะเรื่องมองการพัฒนามนุษย์เป็นขั้นเป็นตอนเราจะมีการแบ่งขั้นตอนเหล่านี้มากมายการเข้าใจแนวคิดอย่างนี้จะมีประโยชน์เพราะมันเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมเวลาเราไปมองไปเกี่ยวข้องกับอะไรเออเรารู้จักมองว่าเราไม่ใช่อยู่แค่ขั้นนี้นะเราจะต้องก้าวต่อไปอีกเป็นตน้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพุทธศาสอนานี่มองอะไรในแง่ว่า เมื่อเราจะก้าวหน้าไปสู่ขั้นต่อๆไปก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอันนี้ก็สำคัญคือถ้าเราจะมีความผิดพลาดหรือจะมีความทุกข์หรือจะมีความด้อยความตกต่ำอะไรนะก็ไม่ใช่มัวจับเจา้าวนละหอยอะไรอยู่ท่านไม่สารเสริญเลยในการที่จะมีจิตใจเป็นแบบนั้นแต่ว่าให้มองถึง ผลทางที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างที่เราเคยพูดกันแค่ใช้โยนิโสมรัติการเป็นก็มองเรื่องที่เราว่าไม่ดีหรือเรื่องที่เป็นทุกข์ในแง่ที่ใช้ประโยชน์ไปหมดมองทุกข์ก็มองในแง่ที่ว่าเออมันมาทําให้เราต้องฝึกตนมากขึ้นแล้วเราก็ยิ่งได้มากใหญ่หรือสิ่งที่ยากเราก็ได้ฝึกตนมากอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่ว่า คนเกิดมารวยก็ดีแล้วก็อาศัยมันเป็นปัจจัยเกอหนุนให้เราก้าวไปสู่สิ่งอื่นที่ดีไม่ใช่จมมัวมาประโยนความรวยเอาความรวยเป็นปัจจัยแล้วก็จะได้พัฒนาชีวิตไปสู่ประโยชน์อื่นแต่ถ้าเกิดมาจนเอาก็อย่าไปทอมันอย่าไปจับเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองให้ทุกข์ะาจนก็มองว่าเอออยู่ในโลกนี้เขามีโอกาสมากกว่าเราเรามีโอกาสน้อยนี่ เราต้องใช้ความเพียรให้มากถ้าเขาใช้หนึ่งเราต้องใช้อาจจะต้องสิบนะัเราก็ยิ่งเพียรพยายามใหญ่เลยนะและความจนก็เป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งเจ้าเรียกว่าทดสอบก็ได้ไม่เรียกทดสอบก็หมายความก็คือเป็นแบบฝึกหัดนั่นแหละให้เราได้ฝึกตนมากถ้าเราจนเรารู้จักใช้ความจนเราก็มีโอกาสฝึกตนมากขึ้นตั้งแต่ความเข้มแข็งของจิตใจเป็นต้นไปต้องใช้ความเพียรพยายามในทุกเรื่อง ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถเช่นพัฒนาทักษะพัฒนาโดยเฉพาะสําคัญก็ปัญญาทําให้รู้จักคิดพิจารณาถ้าคิดเป็นแล้วก็ยิ่งพัฒนาปัญญาได้มาเพราะต้องแก้ปัญหาเยอะยิ่งแก้ปัญหามากปัญญาก็ยิ่งมากปัญหาเมื่อคู่กับปัญญานี่แก้ปัญหามากปัญญาก็ยิ่งมากเมื่อปัญญามากก็แก้ปัญหาหมดอะไรเนี้ย เพาะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาก็มีศัพท์หนึ่งที่ท่านใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงคือคำว่าปฏิกกรรมแปลว่าการแก้ไขการปรับแก้คําว่าปฏิกกรรมอันนี้มาใช้ในการปรองอระบาดคาว่าปรองอระบาดเนี่ยศัพท์หนึ่งท่านใช้ว่าปฏิกกรรมหรือปฏิกระเนี่ยแต่คําว่าปฏิกระนี่มันมีเรื่องแทรกนิดหนึ่ง คือถ้าใครเรียนนักธรรมตรีแล้วก็เปิดดูหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตจะมีบทหนึ่งว่ากตัดสนันติปฏิการังไม่ทราบทเคยพบไหมใครเคยเปิดหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่มหนึ่งสํสาหรับนักธรรมตรีสุภาษิตนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ทําไปแล้วทําคืนไม่ได้อันนี้ท่านหมายความว่า สิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยจะให้กลายเป็นไม่ได้ทําไม่ได้ทําคืนมายความให้กลายเป็นไม่ได้ทําทําแล้วก็เป็นได้ทําแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ในความหมายที่ผมจะพูดอันนี้คนละความหมายแล้วก็ภาษีนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเป็นภาษีของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งของประเทศไทยนี่เองคือเวลาดูพุทธศาสนสุภาษีอย่างในตำรับตรีหรือในหนังสือแบบเรียนนักธรรมเนี่ยเราควรดูด้วย ถ้าจะบอกที่มาหรือว่าอักษยรย่อไว้เนะี่ยว่ามาจากคำพีอะไรหรือใครเป็นผู้ที่เรียบเรียงขึ้นมานี่ในพุทธศานอสุภาสสิตสำหรับพระธรรมตรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะจากคำพีหรือจากพระไตรปิฎกมีที่พระเทระผู้ใหญ่เช่นสมเด็จสังฆราชบางพระองค์ได้ตรัสไปด้วยท่านก็รวบรวมมาอย่างที่ผมยกมาเมื่อกี้กตัดสนันติปฏิการังเนี่ย ไม่ใช่พุทธพจน์เป็นาศาสนสุภาษิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งย้ำอีกทีกระตับสนธิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ก็หมายความทำอะไรไปก็เป็นการทำไปแล้วนั่นนี่เป็นความหมายหนึ่งทีนี้ที่ท่านใช้ทั่วไปในคำาีเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ในความหมายนี้แต่ท่านหมายความว่าทำให้มันคืนดีหมายความไอ้ สิ่งนั้นมันทําไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันพลาดหรือมันเสียหรือมันบกพร่องก็กลับไปทําแก้ไขให้มันดีเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยข้าหลักที่ว่านี่เพราะฉะนั้นเรื่องของมนุษย์ก็มีหลักการเนี้ยการปรับแก้แก้ไขทําไอ้สิ่งที่มันบกพร่องทําไปแล้วเนี่ยให้มันกลับดีขึ้นอย่างที่ปรุงอบัตท่านก็ใช้คําว่าปฏิกะหรือปฏิกรัรมเนี่ยทำคืน ก็ไม่ใช่หมายความว่าไปทำให้อาบัตที่มันร่วงลม้มหมดไปแล้วไม่ได้ร่วงไม่ใช่อย่างนั้นการที่ทำคืนอาบัตท่านเรียกว่าแสดงอาบัตที่เราพูดกันทั่วไปก็หมายความว่าเราเนี่ยบอกความจริงไม่ปิดบังไว้บอกความจริ ง, ม ง, เ, มรงเมื่อทำผิดพลาดก็บอกความจริงบอกความจริงเสร็จแล้วก็บอกต่อไปว่าจะละเลิกไม่ทำอย่างนั้นอีก แต่ว่าจะไปทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องต่อไปแทนก็เป็นแนวคิดในการที่ว่าจะแก้ไขปรับปรุงก็คือว่าสิ่งที่ทำผิดไปแล้วพลาดไปแล้วก็ละเลิกเสียแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปอันนี้เป็นสาระของการปรองอำบัตดตั้งต้นก็คือยอมรับก่อนยอมรับว่าตัวได้ทำความผิดสองก็บอกว่าจะละเลิกไม่ทาต่อไปหันไปทาสิ่งที่ถูก มันมีสองตอนการปรงอระบาดไม่ใช่การล้างบาปนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะว่าบางทีไปคล้ายกับการเชื่อถือของบางาศาสนาเหมือนกับว่าสารภาพบาปแล้วก็ล้างบาปไปดูๆแล้วบางทีคล้ายๆกันเวลาแปลบางทีก็แทบจะแปลเหมือนกันเลยก็แปลเป็น c คอนเฟสชันอะไรทำนองนี้นะแต่ว่าทั้งความหมายความมุ่งหมายไม่เหมือนกัน ความมุ่หมายอย่างที่ว่าท่านต้องการให้ยอมรับความจริงแล้วก็ละเลิกสิ่งที่ผิดหันไปทําสิ่งที่ถูกก็เพื่อแก้ไขปรับปรุงนั่นเองนะก็ใช้คําว่าปฏิกะระเนี่ยสำหรับการแก้ไขเรื่องอบัติแล้วท่าก็ใช้กับเรื่องอื่นก็รวมความก็คืออย่างเงี้ยความหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรทําความเข้าใจเอาละสามอย่างที่ผมพูดเนี่ยจะเห็นว่าสัมผันสกันหมด เราพูดถึงแนวคิดใหญ่สามอันหนึแง่นี้ก็คือมาพูดในแง่ของการพัฒนามนุษย์เริ่มในการมองทุกสิ่งทุกอย่างคลุมถึงเรื่องการพัฒนามนุษย์ในเชิงระบบความสัมพันธ์โดยเฉพาะในแง่เหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับการมองอะไรต่ออะไรเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งขั้นตอนเหล่านั้นก็มาเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และในการที่จะก้าวไปในขั้นตอนต่างๆก็ต้องมีการปรับแก่นั้นกรรมต่างๆก็จะมีคู่เป็นปฏิกรรมกรรมทำไปปฏิกรรมก็มาแก้ไขให้มันดีขึ้นนี่เป็นการทำกล ร, รมก็ใจเบื้องต้นทีนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยก็อาจจะถือเป็นข้อที่แถมคือ ท่านสอนไว้พยายามที่จะให้ชาวพุทธเนี่ยหาทางพัฒนาตนไม่ใช่ปล่อยเรื่อยเปื่อยไปเขามาฆ่าเขามาก่อเวรเราก็ปล่อยใช้คติว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเราไม่จองเวรก็ปล่อยเรื่อยเปื่อยถ้าพวกเรากลายเยืนตายเปล่าใช่ไหมนี่อย่างหนึ่งสองก็คือในยามปกติ ก็ไม่มีการฝึกฝนพัฒนาตนไ่คิดแก้ไขปัญหาระยะยาวะอะไรต่อเลยก็อยู่ในความประมาทอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ผิดเพราะนั้นเราจะต้องฟื้นคติพุทธศาสนาที่แท้ขึ้นมาให้เราพัฒนาตัวเองแล้วมันก็เป็นการแก้ปัญหาของโลกก็คือการพัฒนามนุษย์โดยทั่วไปด้วยให้มนุษย์มีจิตใจดีขึ้นมีปัญญาดีขึ้น แล้วปัญญานั่นก็มารับใช้เจตนาที่มีคุณธรรมมีความดีมีเมตตากรุณาพยายามให้คนที่มีคุณธรรมมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยต้องให้มีความสามารถมากกว่าเจ้าพวกคนที่มีกิเลสสูงที่มีโลภโทสะสูงถ้าโลกนี้มนุษย์ที่มีคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณาเนี่ยมีความสามารถน้อยกว่าคนที่มีกิเลสแล้วโลกมันจะอยู่ดีได้ไง มันก็ต้องพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรมนี้ให้มีความสามารถเช่นมีสติปัญญาสูงกว่าไอ้เจ้ามนุษย์ที่มีกิเลสมันถึงจะไปได้มันจึงจะแก้ปัญหาของโลกได้อันนี้เวลานี้เรายอมให้มนุษย์ที่มีกิเลสได้มีความสามารถมากกว่าถูกไหมมันก็ยิ่งยุ่งกัสิโลกนี้มันก็ยิ่งเวียดเวียนกันเดือดร้อนยิ่งขึ้นเลยแก้ปัญหาไม่ตกสักทีรัชาพุทธเองก็ไม่เอาเรื่องเอาเราวเนี่ย แ ต, แต่หวังอย่างที่ว่าแล้วเรื่องกรรมอีกพระพุทธเจ้าวางวินัยไว้ทําไมจะไปรอผลกรรมอยู่อย่างไรพระองค์หนึ่งทําผิดบอเออเดี๋ยวท่านก็รับผลกรรมของท่านเองหละเสร็จแล้วก็ไม่จัดการไม่ปฏิบัติตามวินยัยวินยัยพระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อจะให้จัดการแก้ปัญหาเมื่อคนทําความผิดขึ้นมาก็เอามาจัดการแก้ไขปัญหาซะก็คือ ท่านเอาความรู้จากปัญญา iques. ปัญญาก็คือตัวความสามารถของมนุษย์ที่ไปรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และไอตัวปัญญาความรู้นี่มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งถูกไหมปัญญาเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมชาติพิเศษของมนุษย์ธรรมชาติที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์เราต้องรู้จักเอาไอ้ธรรมชาติพิเศษคือปัญญาเนี่ยมาใช้ เพราะพทเจ้าจึงวางหลักวินัยไว้วินัยก็คือวิธีการแก้ปัญหาในสังคมมนุษย์โดยเอาปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมชาติเนี่ยมาใช้โดยไม่ต้องไปรอปัจจัยอื่นที่เราไม่มีความสามารถไปควบคุมก็คือพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถที่จะใช้ปัจจัยของตัวเองเนี่ยเอาเข้าไปในกระบวนการธรรมชาติเพื่อไปจัดการไอกระบวนการของเหตุปัจจัยนั้นให้มันเป็นไปในทางที่ตัวต้องการ เนี่ยอันเนี้ยมนุษย์ไม่เข้าใจก็ไปรอกรรมรอไอ้กระบวนการเข้ามันก็เลยไม่รู้ตัวว่าโมหะของตัวเองไปเป็นปัใจจัยในกระบวนการนั้นเมื่อเรารอนะเช่นว่ามีเหตุการณ์มนุษย์ทํากรรมอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยแล้วเราบอกว่าปล่อยให้เป็นไปนตามกรรมขณะนั้นเราก็เอาปัจจัยที่เป็นธรรมชาติในตัวเราเนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการนั้นด้วย ปัจจัยตัวไหนของเราล่ะก็คือโมหะไงล่ะคือความหลงความไม่รู้ความไม่เอาเรื่องความประมาทเป็นต้นเนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการทำไมเราไม่เอาปัญญามาใช้ปัญญาก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็เอาปัจจัยตัวเนี้เข้าไปร่วมในกระบวนการเหตุปัจจัยนั้นซะพระ น, น้นพระจเจาจึงวางวินยัยว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอว่าให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอื่น ปัจจัยของเราก็เข้าไปจัดการซะดังนั้นในหลักวินัยเนี่ยท่านจึงมีกรรมขึ้นมาใหม่การที่ไปจัดการแก้ปัญหาเร่องคนทําผิดมีการลงโทษท่เรียกว่านิฆกรรมเป็นกรรมวงกันเนอะหมายความมนุษย์เราก็ทํากรรมขึ้นมาเพื่อจะไปแก้กรรมนั้นอีกแล้วก็กรรมมีเยอะแยะเลยลองไปดูสิ แม้แต่ที่เรามาบวชกันก็เป็นสังคกรรมใช่เอมพระพุทธเจ้าวางกรรมทางวินยยัยไว้เยอะแยะไอ้กรรมในทางธรรมะมันมีอยู่พระพุทธเจ้าวางกรรมในวินัยขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เอาสติปัญญาความสามารถตัวเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นปัจจัยในกระบวนการขอธรรมชาติไอ้กรรมทางวินัยเนี่ยพอทาขึ้นมาด้วยเจตนามันก็กลายเป็นกรรมในทางธรรมทันทีเลยเข้าใจไหมเนี่ย ท่านยาณาพันโลมีอะไรสงสัยในมนติถามซะของเนี้ยของเนี้ยสาคัญแลยนะเข้าถึงหลักกรรมแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันเนี้คนจะสนใจเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์กันมากแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวว่ามันจะบันดาลผลอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์ร้ายเข้ามาก็ต้องรอให้ดาวดวงนี้มันโครจรเลื่อนผ่านไปก่อนถึงจะคลายได้อะไรอย่างนี้ ก็เลยไม่ทราบว่าวะจะคล้ายกับกรณีนี้ก็คือมันมีอิทธิพลแต่ว่าอิทธิพลนั้นก็อาจจะสู้อิทธิพลที่เรากระทาเองไม่ได้ด้วยปัญญาใ ช, ใช่ไหมครับใช่คืออันนี้นะเราไม่ได้ไปดูถูกหรือละเลยแต่ว่าเราจะมวัวไปรอไม่ได้เราต้องพิจารณาเหตุปัจจัยเป็นขั้นตอนเหตุปัจจัยอันไหนมีกําลังมากถ้าเรามีสติปัญญาสูงเนี่ยปัจจัยที่เราทำเนี่ยมันจะมีกําลังมา คือเราไม่ไปดูถูกอย่างเหตุปัจจัยแม้แต่ดวงดาวเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อหลายปีไปแล้วนะเคยมีพวกที่ทำวิจัยเนี่ยเขาก็สังเกตปรากฏการธรรมชาติเขาก็สังเกตว่าในข้ามแรมของดวงจันทร์เนี่ยระยะเดินขึ้นกี่ข้ามกี่ข่ําแรมกี่ข้ามกี่ขัํา มันมีเหตุการณ์ประเภทไหนมากแล้วก็ทําสถิติแล้วเขาก็ลงความเห็นว่าเออไอ้ระยะพระจันรเต็มดวงมันมีอาชญากรรมประเภทนั้นๆมากเลยเนี่ยแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้ไปวิเคราะห์เชิงโหราศาสตร์เฉยๆนะแต่อันเนี้ยจะเห็นว่ามันพวกเดียวกันคือดาราศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยมันกำกึ่งกันอยู่พวกดาราศาสตร์โบราณเนี่ยเป็นโหราศาสตร์ พวกที่มาเป็นดาราศาสตร์ที่พัฒนามันเดิมเป็นโหราศาสตร์ก็คือสังเกตไอ้พวกดวงดาวนั่นแหละแล้วก็สังเกตความเป็นไปในสังคมมนุษย์มาโยงกันนี้เขาก็สังเกตดูแล้วเขาก็วิเคราะห์อย่างที่บอกว่าอย่างที่ทําสติติอะไรเมื่อกี้ทีนี้เขาก็อธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์บอกว่าก็เราก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยพระจันทร์เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความเป็นไปในโลก สิ่งที่ปรากฏชัดก็คือน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมน้ำขึ้นน้ำลงเวลาสิบห้าค่ำก็น้ำขึ้นสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นแรมอะไรต่างๆนี่จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับ น, น้ำกันลวกันนี้ในร่างกายมนุษย์เนี่ยส่วนประกอบที่มากที่สุดคือน้ำเหมือนกันถูกไหมแล้วเมื่ออิทธิพลจากดวงจันทร์ขําแรมมาเนี่ย ที่น้าขึ้นน้าลงมันก็มีอิทธิพลต่อน้ำในตัวมนุษย์นี้ด้วยการขยับขยื่อนเคลื่อนระดับของน้าในตัวมนุษย์เนี่ยก็มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงอารมณ์เป็นต้นด้วยเนยเขาก็มาตีวิเคราะห์ในแง่นี้นี่กระจะยให้เห็นว่าเราสามารถโยงไปได้ถึงเรื่องดาราศาสตร์อิทธิพลของดวงดาวต่งตางๆซึ่งหลายอย่างเราอาจจะมองไม่เห็น เพราะว่าเราไม่สามารถแยกแยะไอ้เรื่องของระบบความสัมพันธ์ความเป็นเหตุปัจจัยต่อกันอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ว่ามันเป็นไปนได้เอาละนี่ก็เป็นแง่ของความเป็นไปนได้ในทางโหราศาสตร์ที่ว่าถ้ามนุษย์มีปัญญาลึกซึ้งพอนี่อาจจะเห็นในความเป็นวิทยาศาสตร์คือเห็นเหตุปัจจัยในกระบวนการธรรมชาติแต่ว่าในขณะ น, นี้มนุษย์ยังไม่ได้สามารถไปแยกแยะขนาดนั้น แล้วเราจะไปรอความหวังจากไอ้พวกความเป็นไปในโหราศาสตร์ที่มันไม่ได้แน่นอนชัดเจนเนี่ยแค่ไหนเราก็เป็นเพียงว่าเออถ้าเป็นคนที่ยังไม่มั่นใจตัวเองก็อาจจะคำนึงบ้างแต่ว่าอย่าไปหวังพึ่งเพราะเหตุปัจจัยที่แท้อยู่ที่มนุษย์พัฒนาตัวเองให้สามารถควบคุมเหตุปัจจัยนั้นได้ด้วยตัวเองมนุษย์จะต้องพัฒนาความสามารถของตัวเอง ที่จะทำตัวเองให้เป็นเหตุปัจจัยที่เข้าไปควบคุมเหตุปัจจัยอื่นได้ถูกไหมที่เราฝึกทนรันนาตนนีก็เพื่ออะไรก็เพื่ออันนี้ด้วยคือตัวเราทุกอย่างในตัวเราเหตุปัจจัยทั้งรูปธรรมนามธรรมทุกส่วนประกอบในตัวเราอย่างคุณธรรมความดีอะไรกุเรศอะไรพวกนี้เป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นก็ต้องรู้จักใช้มันสิ่งเหล่านี้เราก็เอามาใช้เป็นเหตุปัจจัยในกระบวนการธรรมชาติ ก็คือเราไม่สยบไม่มัวยอมไม่โมวหวังรออะไรแต่อะไรอยู่อะไรที่ทําได้ก็ทําไปไม่มโมหวังพึ่งโหราศาสตร์อะไรอยู่เนี้ยเมื่อสมัยผมยังเด็กเป็นเดนอยู่เนี้ยก็มีการปฏิวัติรัฐประหารในเมืองไทยนี้ฝ่ายยึดอํานาจเนี้ยแพ้เพราะอะไรเพราะแกะรอเรือรอเรืรอเดี๋ยวจะแก่ดูโหนไว้ โหนก็ถูกเลิกให้ว่าให้ยุดอำนาจเวลาดุจจะตีสามความมันแพร่งพลายไปถึงฝ่ายผู้มีอำนาจฝ่ายผู้มีอำนาจก็เลยสามทุ่มเอาเลยฝ่ายปฏิวัติยึดอำนาจเลยแพ้เลยนี่เห็นมหมโหนเชื่อโหนเอาไงดีล่ะถูกลงว่าโหนไม่แน่แล้วใช่ไหมตัวอย่างมันมีแล้วก็เราจะไปรู้ได้ไงโหนอันนี้แล้ว ก็ไปหวังพึ่งพระองค์นั้นเป็นต้นแล้วท่านดูแม่นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมมันก็คือเอาความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนมาใช้ประโยชน์นั้นสิ่งที่เรารู้ชัดได้ปัญญาเนี่ยสำคัญมากแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทบางทีเราก็รู้ไม่ทั่วถึงเหมือนกันเพราะนั้นมนุษย์จึงต้องฝึกตนอยู่เสมอครั้งนี้อาจจะทาไม่สาเร็จพลาดไปก็ต้องมาวิเคราะห์ศึกษาเหตุปัจจัยว่า ก, กรรมที่เราทานั้น ที่เป็นเหตุนั้นมันมีปัจจัยอะไรบกพร่องไปเราจะต้องปรับปรุงอันไหนอันไหนมันขาดไปแล้วก็มาเติมใช่มันเต็มอันนี้ก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่มามัวว่าพอไม่สําเร็จแล้วก็ท้อแท้อ่อนใจก็หมดแรงไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยหลักกรรมก็อยู่ที่เนี่ยหลักกรรมก็คือมีปฏิกรรมเขาก่อนพูดไปแล้วทีเรืองปฏิกรรม ปฏิกรรมนี้เป็นหลักสำคัญนะในทางพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยพูดกันคือแทบไม่มีใครพูดถึงปฏิกรรมก็คือแก้กรรมปฏิกรรมปฏิกณ์มาใช้ในภาษาไทยเยอะปฏิกรรมก็มาใช้เป็นค่าปฏิกรรมสงครามเช่นญี่ปุ่นลบกับอเมริกาญี่ปุ่นแพ้ถูกเรียกค่าปฏิกรรมสงครามันนี้แล้วปฏิกอ์ก็เช่นเครื่องปฏิกอนปรมาณู ปฏิกิริยาก็เช่นว่าคนนี้ทําอันนี้ไปคนนั้นมีปฏิกิริยาตอบอย่างนั้นในภาษาไทยนี่เอาปฏิกรรมมาใช้เยอะแต่ว่าแยกความหมายไปต่างๆแต่ในภาษาบาลีที่จริงมันตัวเดียวกันปฏิกิมปฏิกรปฏิกริกริรรยานี่คําเดียวกันก็หมายความว่ามนุษย์นี่จะต้องพยายามแก้กรร ม, มไม่ใช่หมดสยบอยู่หลักนี้ก็สําคัญนะคือมันมีภาษิตอันหนึ่ง ท่านเรียนนักทำตรีในหนังสือพุทธศาสนาสุภาษิตเล่มหนึ่งนั้นมีมีอยบทหนึ่งว่ากตัดสนันติปฏิการังนะแปลว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้อันนี้ก็ถูกสิ่งที่ทำไปแล้วจะให้กลายเป็นไม่ทำไม่ได้ที่ว่าทำคืนไม่ได้หมายความาให้กลายเป็นไม่ได้ทำก็มันทำไปแล้วก็ไปอันทาไปแล้วอันนี้เป็นภาษิตหนึ่งในความหมายหนึ่งของปฏิการะหรือปฏิกร ทำคืนกลับให้เป็นไม่ทําแต่อันนี้เป็นภาสิทธิ์ที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะเป็นของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งคือพุทธศาสนาสุภาสิทธิ์ที่อยู่ในหนังสือที่เราเรียนเนี่ยไม่ใช่ของในพระไตรปิฎกทั้งหมดมันมีของสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้นด้วยอันนี้ก็เป็นความจริงตามนั้นแต่ทีนี้ว่าเรามักจะหยุดแค่นี้อา้าวสิ่งที่ทําแล้วทําคืนไม่ได้ก็เลยจบไม่ใช่แค่นั้น หลักพุทธศาสนาที่ท่านสอนเรื่องปฏิกรรมเนี่ยก็คือว่าในเมื่อการการะทำอันนี้เราเคยทําไปอย่างนี้เราไม่ได้ผลดีปฏิกรรมก็คือทํำสมัยให้มันดีขึ้นเคยทําไปแล้วมันผิดพลาดเสียหายต่อไปก็ทําให้มันดีไม่ให้มันผิดพลาดอีกอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปฏิกรรมปฏิกรรมก็มีหลายขั้นหลายตอนเขาก่อนเคยพูดครั้งหนึ่งเลยเรื่องปฏิกรรมพูดยาวแล้วเพราะนั้นจะไม่พูดซ้ําอีก เนี่ยเรื่องปฏิกรรมก็เป็นหลักใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเอามาใช้บางทีเราไม่ได้ยินเลยแต่ว่าเอามาใช้ในภาษาไทยในความหมายอื่นไปก็แปลงว่าแม้แต่การกระทาที่ทำไปแล้วถ้ามันไม่ดีก็ต้องแก้ไขทำให้มันดีขึ้นสิ่งที่ทำไม่ได้ผลก็ทำไม่ได้ผลโดยมีการฝึกหัดพัฒนาตนเรียนรู้ศึกษานั่นเองและก็อย่างที่ว่าแล้วการใช้หลักคำเนี่ยก็คือการ เอาความรู้ความสามารถที่เป็นปัจจัยในตัวมนุษย์เนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติที่มนุษย์เราจะได้สามารถทําให้สิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เมื่ั้นโลกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมนุษย์จะมาทําอะไรได้เลยที่เรามาเรียนมาศึกษากันนี่ก็เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของโลกไม่ใช่ปล่อยโลกไปตามเรื่องของมันคําว่าปล่อยไปตามกรรมมันก็เป็นคํากรรมกลวงนะ ดีไม่ดีก็อย่างที่ว่ากลายเป็นปล่อยปละละเลยก็ประมาทไปนั้นต้องระวังมากเรื่องการศึกษาพุทธศาสนานี่ดีไม่ดีก็เข้าเรื่องผิดไปเลยอย่างน้อยที่สุดก็ประมาทไม่งั้นก็กลายเป็นลัทธิคอยโชคคงจะทราบแล้วใช่ไหมหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าลัทธิที่ผิดหลักกรรมสมลัทธิใหญ่หนึ่งลัทธิลอกรรมเก่าปุเพกะตะเหตุวาดลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะได้สุข ประสบความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไวในชาติปางก่อนอันนี้เรียกว่าลทัทธิปุเพกตะเหตุวาดสองลทัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเพราะเทพผูเ้เนใหญ่บันดาลเรียกว่าอิสวนิรมิตตวาดหรืออิสระนิมาใเหตุวาดแล้วก็ส รัตทีที่ถือว่ามนุษย์จะได้สุขได้ทุกอย่างไรเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปเองล้วถึงคราวก็เป็นไปเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้เรียกว่ารัตทีแล้วแต่โชคถ้าเรียกว่าอาเหตุอปัจญยวาสหรือเรียกสันส้นๆว่าอาเหตุวาสถ้าถือหลักพวกนี้แล้วมนุษย์ก็ทําอะไรไม่มีผลถูกไหะทําทอะไรไปทําไมล่ะมาแล้วแต่กรรมที่ทํามาชาติฟังก่อนก็รอมันไป แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าบรรดาเทพเจ้าบรรดาอ่ะก็รอไปสิเราไปทำอะไรท่านไม่โปรดก็ไม่ได้ผลก็ต้องไปอ้อนวอนท่านเอานะและที่ที่สก็ต้องแล้วแต่มันจะเป็นไปถึงเวลาก็เป็นก็คอยโชคไปนี่พุทธศาสนาท่านไม่คอยไม่รอไม่อะไรทั้งนั้นถือว่าเป็นไปนตามเหตุปัจจัยแล้วมนุษย์เนี่เป็นตัวสำคัญเลยมนุษย์มีปัญญามีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเรียนรู้ศึกษา รู้เหตุปัจจัยได้แล้วจะได้เข้าไปใช้เหตุปัจจัยจัดการเพื่อจะให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยในทางที่จะเกิดผลดีนะตั้งแต่พัฒนาตัวชีวิตของมนุษย์เองนี่เลยท่านแยกได้แล้วนะเรื่องกรรมนะจะได้ไม่หลงผิดมีอะไรสุสัยไหมอะไรไม่ชัดต้องถามกันนะต้องให้ชัดมะ ง, งั้นไม่เกิดปัญญาปัญญาไ ป, ญญาปรู้ชัดนะ คือถ้าเรารู้ไม่ชัดมันก็ไม่รู้จริงแล้วก็จะเกิดปัญหาคือเราก็ต้องเดาวิธีที่จะไม่ต้องเดาก็เมื่ออะไรไม่ชัดก็ถามนะถามแล้วก็ตอบกันไปให้มันชัดไปเท่าที่ทำได้แม้จะมีอะไรแย้งมีอะไรทานอะไรก็เอามาพูดกันให้สบายใจมีไหมฮะไม่มีแ ล, ล้เชัดพอเหรอชัดมากครับชัดมาก เนี่ยก็อยากให้รู้เข้าใจเรื่องนี้เพราะเรื่องใหญ่นะเรื่องกรรมแล้วก็มันมาสัมพันธ์กับเรื่องของวิถีชีวิตของบุคคลแล้วก็ของสังคมทั้งหมดของประเทศชาติด้วยเพราะเราขืนปล่อยให้สังคมของเราอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วมันน่าเป็นห่วงคนไทยเราเนี่ยเวลานี้เป็นว่าคือไม่คิดที่จะทําอะไรให้ชัดเจนเออกมาหวัง ลมลงแรงๆ ร, รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาอะไรไปอย่างนั้นเป็นมากเหลือเกินท่านจิตตปุญโญว่าเป็นมากไหมอันเนี้ยมากครับมากเหลือเกินเลยนะมากจริงๆ <c oughs> มันก็ขัดคำสอนพื้นฐานของพุทธศาสนาแล้วเราอยู่กันได้ยังไงมันไม่เข้าทางพุทธศาสนาเลยนะี่ใช่ไหมเออแล้วพุทธศาสนาจะเริ่มต้นยังไงในเมืองไทยนะ มาจนป่านนี้เลยยังไม่เริ่มเลยเหมือนกันอย่างนั้นนะคล้ายๆว่าอย่างนั้นคือเราก็ไม่ได้ว่าไปทุกด้านในบางด้านก็มีดีอยู่แต่ด้านนี้เป็นด้านที่สำคัญขั้นพื้นฐานทำไมมันจึงอยู่ในภาวะอย่างนี้คนก็กลายเป็นคนอ่อนแอเมื่อคนเราไม่ตั้งใจคิดไม่เพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนไม่ถนัดทาอะไรได้ตนเอง ไม่สร้างผลสําสเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนเนี่ยนะมันก็อ่อนแอในพุทธศาสนานี่ท่านให้สร้างผลสําเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนหรือพูดให้เต็มว่าสร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําโดยความภาคเพียรของตนอันนี้มันจึงจะไปได้ต้องย้ําอันนี้ให้มากแล้วอันนี้ก็คือตัวหลักกรรมนั่นแหละหลักกรรมก็มาอยู่ที่เนี่ยทําเหตุที่จะให้เกิดผล สร้างผลสาเร็จด้วยการกระทาซึ่งจะดำเนินไปได้ไ ด, ด้วยความเพียรพยายามช่วยกันนะสังคมนี้น่าเป็นห่วงมากท่านว่าน่าเป็นห่วงไหมนาเป็นห่วงน่าเป็นห่ว ง, วงถ้าคนเราไม่เข้มแข็งกาไปไม่ไหวแล้วทีนี้ยิ่งไปเพลิดเพลินมัวเมากับการเสพบริโภคอีกก็ยิ่งออนแอใหญ่ดีใช่ไหมไอ้กาลังที่จะทำการเพื่อผลสาเร็จด้วยความเพียรก็ไม่มี แล้วยังไปมัวเมาเพลิดเพลินกับการเสริโภคอีกก็เป็นเหยื่อเขาคอยซื้อเขาก็รอผลสำเร็จเสริโภคสิ่งสำเร็จรูปที่เขาผลิตมาแล้วอย่างนี้มันจะไปรอดหรือมันไม่ทำเองแม้แต่ในแง่ของเศรษฐกิจมันก็กลายเป็นประเทศที่ไม่ผลิตเป็นประเทศของผู้บริโภคประเทศที่เขาจะเจริญเขต้องเป็นผู้ผลิตความเจริญแบบสามัญทางวัตถุ ก็ต้องเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือผู้กระทานั่นเองไอผู้เสพผู้บริโภคก็กลายเป็นผู้ไม่ได้กระทาก็ไม่ไหวอะดูทางไหนแล้วก็แย่ไปหมดเอ้าในเรื่องนี้ก็มองแง่ร้ายกันหน่อยเพื่อจะให้ไม่ประมาทถ้าท่านสนใจมีเวลาก็ไปศึกษาเรื่องกรรมในวินัยก็กรรมในธรรมะบางคนไม่ได้สังเกตอะในวินัยก็กรรมเยอะแยะหมดเลย ท่านจะให้มนุษย์ทํากรรมที่ไปเข้าร่วมในกรรมที่เป็นธรรมะไม่ใช่ไปรอกรรมในธรรมชาติอื่นแล้วตัวเองไม่เอาเรื่องตัวเรานี่ยเราเป็นตัวสําคัญในธรรมชาติเลยเป็นส่วนประกอบพิเศษในธรรมชาติเหมือนกันเราเป็นตัวที่ปรุงกรรมได้แน่นอนเราปรุงกรรมตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้จะปรุงอย่างไรให้มันได้ผลดีใช่ไหมแล้วเราก็พัฒนาไอ้ปัญญา ส่วนที่ดีของเราเนี่ยแล้วก็ส่วนที่เป็นกุศลขึ้นไปเพื่อจะได้มาจัดการกับปัจจัยอื่นๆให้มันดีถูกไหมเนี่ยจุดสาคัญที่พุทธสอนนามีขึ้นบางง่ะก็ปล่อยไปตามกรรมที่ว่าคลุมเครือกรรมก็คือตัวเองอยู่ได้โมหะได้ความประมาทถูกไหมถ้าตัวกระทำกรรมก็ไปเต็มที่แล้วก็คือทอาอกุศลกรรมความประมาทก็เป็นกรรมใช่ไหม ก็เป็นอกุศลกรรมโมหะก็เป็นอกุศลกรรมตัวเองก็ทํากรรมตลอดเวลาในการที่ปล่อยไปตามกรรมใครบอกว่าปล่อยไปตามกรรมนั่นคือกาทํากรรมที่เป็นอกุศลถูกไหมคําว่าปล่อยไปตามกรรมปล่อยนั่นแหละเป็นกรรมเลยแหละก็ตัวปล่อยเนี่ยพอปล่อยมันก็เป็นกรรมเลยใช่ไหมก็ทําการปล่อยไงเราก็ทําการปล่อยตัวเองก็ทํากรรม ทำกรรมในการปล่อยก็คือกรรมแห่งความประมาทก็เป็นอกุศลก็แย่ yeah, สิใช่ไหมมันก็ย่อยยับประมาทโฮมัจุโนโประทามความประมาทเป็นทางความตายถูกไหมก็ไปเลย <laughs> ก็แค่นี้แหละไม่ได้นึกถ้าท่านไม่มีอะไรสงสัยวันนี้ก็คงหยุดจนตอนนี้ก่อนนี่มนีนมนนะ่ะ